คือถ้าจะแลกเอาสัจธรรมเนี่ยถ้าทำตื้นๆทำเย่อๆแยะๆเนี่ยมันไ ม, ไม่มีผลนะอันเนี้ยเราไม่ได้ทำแบบสุขเอาเผากินไปวันๆไม่ใช่อยากทำก็ทำอย่างเล่นก็เล่นไม่ใช่นะอันเนี้ยการกระทำแบบโ ง, ง่ๆจะได้ความโง่กลับคืนไปทำเล่นก็ได้ของเล่นนะอันเนี้ยทำจริงก็ได้ของจริงนะ ถ้าไม่มีความจริงจังตั้งใจที่จะทำเนี่ยเสียเวลานะโยมมานี่ก็เสียเวลาพระสอ น, นก็เสียเวลาเข้าใจในเงื่อนไขของการปฏิบัติเนื้อสํารวมสํารวมตาสํารวมปากอย่าพูดอย่าคุยกันพระที่ว่าสัรวมอินทรีย์โพชเนมัตตัญญุตาประมาณรูปประมาณในการกิน ชาขริยโยกต้องกําหนดรู้ให้ต่อเนื่องทั้นเดินไปเดินมาทําอะไรก็ตามถ้ากําหนดรู้ไม่ต่อเนื่องมันไม่เป็นให้หรอกวันหนึ่งที่เดินจง ก, กรมเนี่ยก็รู้สึกตัวบ้างไม่รู้บ้างลงลง้มลืม ล, ล, ล, ล, ล, ลนอกจากนั้นก็นั่งคุยกันตามเรื่องแล้วแต่เดินไปเดินมาเขาน้ำทา่าเปอร์เซ็น์ของความรู้สึกตัวเนี่ยสตัวมี24ชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเอามาต่อกันยังไม่ได้เลยอ่ะถ้าสติไม่ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เนี่ยอย่าหาปัญญาเลย มันไม่มีอ่ะมันเงื่อนไขคนละแบบที่จะได้ปัญญาเกิดจากภาวนาเนี่ยมันไม่เป็นให้ปัญญาเห็นแจ้งเนี่ยมันไม่เกิดทั้งที่ยิงทําได้ไม่ทําได้แต่ละคนทําได้ถ้าคิดจะทำแล้วถามว่าทุนนี้เอามาเท่าไหร่ทุนที่จะปฏิบัติทำเนี่ย หรือวันแรกบรรพอรทำดีวันสองวันสามเฉื่อยชาไปเรื่อย ๆ, ๆขี้เกียจไปเรื่อยๆไม่จริงไม่จังไปเนี่ยยากนะเอาความตายเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยยิ่งถ้ามีเวลาสามวันห้าวันเจ็ดวันเนี่ยมันไม่ได้มีเหมือนปีเป็นปีเป็นเดือนเหมือนคนอื่นเขาถ้ายิ่งทำเล่นยิ่งยาก ทำด้วยความเข้าใจอ้าวความเข้าใจมีไหมคิดว่าเข้าใจนะเพราะไม่ได้สอนอะไรมากเบื้องต้นสอนให้ทำความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเข้าใจไหมน่าจะเข้าใจทีนี้ความเข้าใจมีแล้วไปทําด้วยความจริงใจความตั้งใจทําสติให้มันต่อเนื่องวิริยะกล้า ไม่ได้แปลว่าขยันนะกล้ากล้าสู้กล้ากำหนดรู้กล้าผ่านเวทนากล้าผ่านง่วงผ่านเหงามันเป็นปัญญาไปในตัวเวลาต่อสู้เนี่ยถ้าเอาชนะได้ถ้าเอาชนะไม่ได้เราเข้าไปในอารมณ์ก็เป็นตัญหาอันเนี้ยสุขทุกข์อยู่ที่เราทำเองนะ ลองดูดิถ้ามันผ่านความง่วงไปแล้วมันจะเป็นอะไรผ่านความคิดไปแล้วมันจะเป็นอะไรที่ไม่มีความคิดมันเป็นยังไงทิ้งง่วงเลยจากง่วงไปเป็นอะไรลองดูดิถ้ามันไม่ง่วงทั้งวันต่อเนื่องไปแล้วมันจะเป็นอะไรข้างหน้าไม่ใช่เงาอยู่นะนี่มันเหลือไม่กี่วันแล้วเนี่ย การพูดคุยกันนี่เด็ดขาดไม่ควรมีถ้ามาฝึกจริยธรรมนี่พอได้พูดพอๆคุยกันดีๆพอได้อยู่แต่ถ้ามาฝึกเพื่อให้เกิดวิปัสสนาญาณเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อะที่ไม่พูดไม่คุยกันแล้วเนี่ยเป็นการกลับมามองข้างในนะมองดูตอนนี้กูคิดอะไรอปัญญาในปัญญารู้คิดตอนนี้มันคิดอะไรมันปรุงแต่งอะไรมันอยากพูดอะไรออกมาเนี่ย ดับมันได้ไม่กาหนดรู้แล้วมันสลายเป็นไหมเขาอยากให้มีอันนั้นบทเรียนนั้นอยู่ในทุกขณะจิตมันนี่เหมือนกันไปทํางานแลกเงินนะเ น, นี่ยทำงานแสวงหาทำนี่คือหาความปกติที่สุดของใจมันปกติความปกติเป็นยังไงนะแล้วจะหาอันนั้นทีนี้ปกติด้วยการสลายกิเลสเนี่ยมันยากไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วมันจะปกตินะ กิเลสตัณหาราคามันยังสมหัวอยู่ข้างในนะถ้าเอาออกไม่ได้เนี่ยฉนั้นความเพียรเร็วๆกำหนดกิจกรรมอะไรให้ทำทาไม่ไวจบเร็วๆไปเดินจุกมไปเดินจุกมนะกินข้าวกินข้าวนอนนอนตื่นทำเงื่อนไขอะไรที่มันออกไปข้างนอกนี่อยาให้มันออกจิตเนี่ยทีนี้กิจกรรมจะเร็วหน่อยอันนี้ถือว่าช้าแล้วเนี่ย คำว่าเร็วนี่หมายว่าตัดวงจรของความคิดตัดวงจรของการทําเล่นทําหัวออกไปอ่ะโดยเฉพากคนใหม่แต่ถ้าคนเก่าๆนี่เขาจะมีอยู่เงื่อนไขเป็นอีแบบหนึ่งคือปล่อยให้ทําเองเพราะรู้วังแล้วว่าจะทํำยังไงอะไรกับจีวิตจิตกับชีวิ ต, ต, วตไม่ได้มีเงื่อนไขเขาไปยุง่งอันนั้นแต่ถ้าใหม่ๆนี่ต้องอยุ่เงื่อนไขเงื่อนไขว่าอึ้ง อย่าให้ความเมื่อยเอาไปกินอย่าให้ความคิดเอาไปกินอย่าให้ความอยากเอาไปกินอย่าให้ความปรุงแต่งเอาไปกินเราต้องติดตามประเมินผลจิตเราทุกวันทวันตอนนี้มันคิดเยอะไหมตัวนี้ยังง่วงอยู่ไหมยังเบื่อไหมอย่าอยากไปรู้เรื่องของคนอื่นมาอยู่ในนี้เอาเรื่องของคนอื่นมาพูดไร้สาระนะไม่ต้องเอาเรื่องหน้าที่การงานโน่นนี่มาพูดมา อย่าเอาขยะมาเทให้กันในวัดเนี่ยลำพังแค่หัวสมองนี่ก็แทบตายแล้วเนี่ยขยะมันตั้งเยอะแล้วเอาขยะเขาดื่นมาใส่อีกหาไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรนะได้จะเอาไปปรุงแต่งไปคิดอันเดิมอีกนี่ฝึกสมาธินี่เนี่ยนี่มาฝึกสมาธินี่เนี่ยไม่ได้มาฝึกรับอารมณ์คนนะนั่นอยู่ใครอยู่มัน ตั้งสติฝึกดีๆทําให้มันต่อเนื่องดีๆรู้จักคําว่าสติไหมสติคือความระลึกรู้ระลึกรู้กายในเบื้องต้นเพื่ออะไรเพื่อจะไต่เต้าไประลึกรู้จิตแต่มันก็รู้จิตเหมือนกันนะนี่ขณะที่ยกมือเนี่ยมันรู้ว่าง่วงไม่ง่วงเหงาไม่เหงาคิดไม่คิดเนี่ยมันรู้ไปพร้อมกันมันอทีจะเป็นสติประฐานสติไม่ได้หมายคำว่าคิดนะสติไม่ได้หมายว่าคุยนะ สติไม่ได้มายควง่วงเหงาเ้อนอนนะถ้ามีสติมันไม่มีนิวร์นะเราอย่าคิดว่าเราเป็นคนใหม่อย่าอ้างว่าเป็นคนใหม่คนเก่ามาที่นี่เท่าๆกันหมดนะ่ะคือเป็นผู้ฝึกหัดเหมือนกันหมดมันไม่มีความว่าเก่าไม่มีควาว่าใหม่ใหม่และจะเป็นข้ออ้างไม่ต้องเอาอ้าง เก่าจะมาอ้างไม่ต้องอ้างนะคือเราเริ่มต้นเหมือนกันหมดคนไหนจะเริ่มต้นที่ไหนเริ่มต้นที่กําลังฝึกใหม่กับเริ่มต้นที่ชาญนหนึ่งชา้นสองชัสามชัสี่เริ่มต้นที่มัดที่ผลแล้วแต่คนเริ่มตรงไหนแต่สุดท้ายคือต้องกําหนดรู้ต้องอยู่กับปัจจุบันของแต่และคนเนี่ยจะเหมือนกันหมดนะนั้นเงื่อนไขอะไรที่มันจะให้ออกคไขข้างนอกเยอะทําอะไรที่มันยาวๆนานๆวิ่งเข้าวิ่งออกเนี่ยอย่าให้มันมี ต้องตั้งใจที่จะระลึกรู้อย่างในน้อยปฏิบัติธรรมนี่ให้มันสัมผัสสัจธรรมบ้างให้มีอารมณ์ของสัจจะบ้างสักน้อยอย่าให้มันมีอารมณ์โลกมากคืออย่างน้อยคือมีสติมีสมาธิมีปีติมีความเ อ, อิบอิ่มในการกระทํามีบ้างระดับหนึ่งถ้ามันปล่อยมันไหลไปเรื่อยๆไม่ได้อะไร คือเราไม่รู้สึกว่ามานี้ไม่รู้สึกว่าเป็นคนทวนกระแสต้องทวนกระแสนะเพราะั้นพูดไปแต่ละวันแต่ละวันไรสาระไม่มีอะไร ไ, ได้ประโยชน์อะไรนะมันขยันเวลามันสงสัยถามพระเราจะไปกลัวร้อนกลัวหนาวอะไรมากมาย เวลาแค่ห้าหกเจ็ดวันเนี่ไม่ได้เยอะเลยนิดเดียวจบแล้วนิดเดียวหมดเวลาแล้วมันยังไม่ได้อะไรโดยซ้าไปนะถ้าเรารักษาเงื่อนไขเหมือนไปหาหมอเนี่ยหมอเขาว่าห้ามมา น, นี้นะอย่า ก, กินนั้นนั้นนะพยายามพักผ่อนแบบนี้แบบนี้เนี่ยถ้าเรารักษาเงื้อไขไม่ได้ตายในโรงพยาบาลโดยซ้าไปนี่นะหรืออย่างนั้นก็คือเป็นเลือดลังออกจากโรงพยาบาลไปมันก็ไม่หายอ่ะเพราะเราไม่อยู่ในเงื่อนไขไง แต่ถามว่ามันยากมันยากอะไรมันไม่ยากอะไรงับปากเฉยๆขยันระลึกรู้เฉยๆคุณจะเดินก็ได้นั่งก็ได้หนึ่งอยู่คนเดียวให้เป็นนนี้อยู่คนเดียวเขาเรียกว่าเอกีภาวะจะแสวงหาสัจจะนี่เอกีภาวะเป้าหมายที่นี่คนไหนพอบรรลุได้อยากให้บรรลุนี่อยากให้มันหมดปัญหากับชีวิตกับตัวเองไปเลย จบไปเป็นคนเป็นคนไปไม่ได้หมายว่ามาทำเล่นๆพอเป็นวิธีนะสะเก็ดในที่นี้ไม่ได้เรียกร้องเงินทองเข้าของอะไรนะไม่ได้ขอความเห็นอกเห็นใจอะไรท่านนะขอแต่ท่านเห็นจิตตัวเองนะ น, นี่เราไม่ได้ทํางานแลกเงิน น, ะนี่ไม่มีหลักสูตรแลกอะไรในะที่เนี่ยมีแต่ว่าทําไงจึงจะเห็นทำของพระพยยุทธเจ้าแล้วก็ช่วยกันยืนยันว่ามันมีจริงมันเป็นจริงนั่นเองก็เกิดจากเงื่อนไขที่เอาจริงนี่แหละถ้าไม่เอาจริง เราจะเอาอะไรอ่ะเอาจริงในเบื้องต้นคือต้องทาจริงทําจริงฟังเข้าใจไหมที่พูดเนี่ยเขาว่าให้กําหนดรู้สติเดินไปเดินมารู้สึกตัวอะไรประมาณนี้มีสองสามคนที่อ้างเจ็บแข่งเจ็บขารูต้ตาว่าจะให้ออกจากวัดอยู่เนี่ยเวลาพูดเดินไปเดินจะบอกว่าเจ็บอะไนั่นเจ็บอะไนี่จะให้ออกไปจังเครื่องลูกหูลูกตาแต่เดินคุยกันนะไม่เจ็บนะ ไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจนะไปที่อื่นก็ได้ไปอยู่ที่อื่นที่วัดอื่นที่โน้นที่นี่ที่เขาอ่อนอนุโลมมาไรยจังให้เราก็ทำได้หรือเราจะอ่านหนังสือธรรมะอยู่ที่บ้านก็ได้อ น, นี่ที่ฝึกและเขาฝึกจริงจังอ่ะมันไม่เหมาะสำหรับเราที่ไม่ใช่คนจริงเอาความไม่ดีทิ้งไปกับปีเก่าลองดูดิวันนี้เอาความใหม่ความสดใสามาให้กับชีวิตเราลองดูดิ สลายมันอัตตาเนี่ยตัวตนเนี่ยยิ่งเราไม่เห็นมันเท่าไหร่มันยิ่งเกิดเยอะเกิดเยอะเยอะเยอะมากขึ้นนะมันมากขึ้นแล้วมันเอาออกยากนะใครแตะไม่ได้เลยเหตุผลมันเยอะแยะกวนกวายขึ้นมาดีนะทําให้มันไม่มีตัวนีนี่ไม่มีตัวแม้แต่จะพูดจะคุยไม่มีตัวแม่แต่จะเจ็บจะปวดจะเมื่อยนั่นแหละ ทุกอย่างมองว่าเป็นธรรมชาติแล้วเราเองก็มีธรรมชาติรู้ธรรมชาติรู้ของเราเนี่ยมันมีมีทุกอย่างเอาเกิดดับธรรมดาเนี่ยทำอะไรทำให้ไวๆไวๆแบบมีสติรวดเร็วรอบคอบเรียบร้อยนี่แล้วเข้าสู่ขบวนการการฝึกให้มันไวที่สุดคือ ว, ว่าแปลงฟันเอาแปลงฟันจบเร็วเร็วีบรู้สึกตัวทันทีเลย เข้าสู่กระบวนการฝึกนี่คือหมายความว่าให้เอามาสู่จิตเอาจิตนี่เข้าสู่วิถีเขาเรียกว่าวิถีพุทธธรรมน่ะวิถีธรรมวิถีพุทธรรคือเมื่อไใดกระทาที่คุณรู้สึกตัวคุณอยู่กับสตินั่นแหละวิถีธรรมเดินรู้สึกซะแปรงฝันรู้สึกเข้าห้องน้ำมุ้งทาเสร็จปุ๊บจบกลับสู่กระบวนการกําหนดรู้ดันดีแม้แต่นั่งอยู่ในช่วงก็รู้สึกตัวอาบน้ำํำอาไปรู้สึกไปอย่าให้มันหลุดอันนี้คือจิตนี่ต้องอยู่กับธรรมอยู่กับมรร อยู่กับมากกอยู่เส้นทางทำแล้วมันจึงจะเป็นผลได้ง่ายอ่านะเอาถ้ามาหนีออกจากคนเลยไปเดินโย ก, กมเลยทําความเพียรอยู่ใครอยู่มันไม่ใช่เดินมาคุยกันมาอะไรประมาณเนี้ยรั่วหมดคือฝึกได้เท่าไหร่ก็เหมือนแก้วน้ําที่มันรั่วถังน้ําที่มันรั่วมันแตกนะเวลาเราคุยเนี่ยมันรั่วหมดนะพอเอาใหม่ปุ๊บได้แต่ความคุยของที่คุยเมื่อกี้นั่นแหละเอามาคิดเห็นไหม ไล่สาระนะ่ะสมองเราเนี่ยแต่ที่เราทําทั้งวันล้างใจเนี่ยกําลังล้างใจอยู่ตัดความคิดตัดอารมณ์อยู่ๆก็ไปคุยกับคนนั้นเผลอไปคุยกับเขาเก็บมาแล้วเอาความคิดนั้นมาใส่สมองอีกมันรู้เรื่องคนนั้นคนนี้ไล่สาระนะ่ะเนี่ยแล้วก็คนบ้านะตักน้ําใส่ตุ่มรั่วเนี่ยดูมันรั่วก็ยังตักใส่อยู่มันก็รั่วไปเรื่อยอย่าไปตักน้ําใส่ตุ่มที่มันรั่วอย่าไปเจาะมัน คือเราฝึกมาทั้งวันเราเสียดายเสียใจว่าเราฝึกมาตั้งเยอะแล้วเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นมาแล้วมันเริ่มสงบแล้วเริ่มรู้ตัวบ้างแล้วเนี่ยอย่าไปเททิ้งอย่าพูดอย่าคุยกันตอนก่อนนอนก่อนอะไรลงตาเดินไปกนะ็ให้คุยกันได้คุยกันดีทางผู้หญิงเนี่ยคือสงบเราต้องสงบให้ต่อเนื่องนะทำทําจริงๆอย่างจั ง, จง ห้องนี้มันคุยกันเอาย้ายเปลี่ยนไม่เอาไปทั้งอื่นหรือบางทีก็เขียนใส่กระดาษมาให้ก็ได้คนเนี้ยชื่อเล่นมันอันเนี้ยมันชอบคุ ย, ยมับอกเนกลางคืนเนอะรบกวนคนอื่นเขาคนอื่นนอนแล้วก็ยังคุยอยู่นั่นสองคนเนี่ยลอนตาบอกว่าจดชื่อมาก็ได้มันรบกวนคนอื่นเนี่ย คนแต่ละคนที่มาเนี่ยเราเข้าใจไหมเขาลงทุนมานะเนี่ยลงทุนที่จะมาฝึกเนี่ยค่าเครื่องบินค่ารถยนต์อะไรม า, มาเยอะแยะนะเสียเวลาเสียการเสียงานมานะเนี่ยลงทุนมาแล้วมาเจอสิ่งที่เราไล่สาระอันนี้รบกวนเขาอยู่เนี่ยมันแย่นะถ้าเราคิดดูดีๆเโอเสียดายนะเขาเสียเวลานะแต่ละคนเนี่ย ถ้าเรารู้มากกว่าเขาเราก็เออถ้าเขาอยากคุยด้วยก็ปลามหรือสงบทำให้เขาดูอยู่ให้เขาเห็นอย่าไปพูดไปคุยอะไรให้เขาฟังอ้าวอยู่ตั้งใจปฏิบัติเขาอยากคุยก็โออย่าไปคุยเลยสติมันจะหายความเลยลึกรู้นี่มันไม่มีสติไม่ได้แปลว่าคุยนะสติแปลว่ารู้ตัวรู้ว่ามันคุย รู้มันคิดขณะที่ไม่เราเดินจุกมันคิดนั่นคิดนี่เราพยายามตัดมันนะแล้วจะให้ออกมาเป็นคําพูดเป็นอะไรนี่โคตรคีนี่ยิ่งหนักเข้าไปอีกนะนั้นจะปล่อยกิเลสมันมาเพ่นพ่านมากนะอยู่ใครอยู่มันกําหนดรู้เยอะๆถ้าเราทำํทำตามเงื่อนไขตั้งใจทําอย่างดีแล้วเนี่ยวันสุดท้ายมันไม่มีอะไรก็จบไปว่าเออเราได้ทําเต็มที่เลยนะทำํทำตามเงื่อนไขทุกอย่างที่ท่านสอนเลยนะ แต่ถ้าไม่ทําแล้วมันไม่ได้ผลเนี่ยอี๋าไปต่โยมเสียใจเลยที่วัดนี่ก็เสียเวลานะเสียเวลาว่าเออเราก็เป็นเหมือนมเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งพยายามที่จะเพาะให้มันงอกมันก็ไม่งอกพระพุทธเจ้าทา่านเรียกว่าข้าวรีบมเมล็ดข้าวมันรีบมันไม่งอกกับเขาอะมันไม่เกิด ทำอะไรทำไมไวแล้วเข้าสู่กระ บ, บวนการรู้สึกตัวทันทีเลยนะเวลาคนคุยด้วยเดินหนีเป็นไหมเวลาคนคุยก็เดินหนีเป็นนะกินข้าวอิ่มล้างหน้าล้งางตาทํานวดแปลงฟันเดินหนีเลยถ้าไปไม่ได้ก็เข้าสู่ทางจงกรมเลยไปกําหนดรู้พลิกมือเล่นๆไปนั่งไปอย่าไปคลุกคี้อย่าไปอยู่กับคนอื่น มันจะทําเป็นเนี่ยเหมือนต้นไม้เนี่ยเราหมันรดน้ําทําไมมันจะไม่งอกมันต้องงอกอะเว้นว่าต่เอาความคุยเข้าไปใส่เนี่ยมันไม่งอกแล้วมันลวกตายเลยนะเหมือนเอาน้ําร้อนไปเทใส่มันเนี่ยไม่ใช่แก้ง่วงได้นี่หน่อยแล้วพอนะที่เนี่ยเจ็ดวันเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดยังไงอ่ะเป็นพระอรหันต์นะเป้าหมายท่านนะเจวันนะหรือไม่ก็เป็นพระอนาคามีฟังอยู่ดีเวลาเราสวดกึ่งเดือนยกไว้ก็ได้เจ็ดวัน จเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วลึกรู้อยู่ยางนี้นี่เจ็วันเป็นพระอรหันต์หรือไม่ก็เป็นพระอนาคามีเราเป็นพระอะไรบ้างแล้วนี่ที่มาเนี่ยมันยังไม่เกิดด้วยซ้าไปได้สติจะโตขึ้นมาหน่อยแก้ความคิดนี่งๆหน่อยก็ยังไม่เป็นนะของเขามุ่งหวังว่าเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยเป็นพระอรหันติปัฏฐานสี่หรือไม่ก็เป็นพระอนาคามีอุปาทิเสสีอนาคามีถ้ารู้แจ้งหนึ่งสองสามสี่ครั้งแล้วจบนะปฏิบัติธรรมเนี่ ศักยภาพทุกคนนี่ทำได้บรรลุทำได้เข้าถึงทำได้สำคัญว่ามันเข้าใจไม่ที่สอนเนี่ยแล้วพอใจตั้งใจไม่ที่จะไปทาตามถึงถามว่าเอามาเท่าไหร่ทุนเนี่มีทุนอยู่ในใจมากน้อยเท่าไหร่พอมีทุนมาฟังนี่เป็นกาไรนะที่ฟังเนี่ยฟังกาไรเป็นกาไร เป็นกาคือเพิ่มทุนเนี่ยเป็นการเพิ่มทุนในท่านท่านยังไม่ได้กําไรเป็นการเพิ่มทุนฟังโอ้เกิดศรัทธาเกิดอะไรเอาไปทําเพิ่มทุนชีวิตที่เกิดมาเนี่ยปกติมันไม่ได้ทุกนะเกิดมาทีแรกตอนนี้มันขาดทุนแนี่มันเป็นทุกข์ในชีวิตเนี่ยเป็นทุกข์เว้นไว้แต่ถ้าเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาน่ะท่านจึงจะอยู่ทุนชีวิตท่านเป็นนิพพานละมันอยู่ทุนทีนี้ได้กําไรก็คือ สอนคนอื่นบอกคนอื่นแนะนำคนอื่นคนนั้นรู้ตามคนนี้รู้ตามนั้นกำไรมันได้มาล้วเวลาเราเข้าใจนึกโอ้เสียดายชีวิตเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้รู้เรื่องนี้เสียทีที่เกิดมาเสียชาติเกิดแต่ถ้ารู้มันต้องจะอยู่ทุนทุนทางชีวิตเราเนี่มันไม่ได้ทุกนะแต่นี่มันทุกทุกเดี๋ยวนี้เราขาดทุนเลยเนี่ยนั้นหาให้มันเห็นทาให้มันเจอ นะอันนี้คุยได้คุยดีไม่ไหวแล้วพระเมื่อใหม่โลตาเดินไปบอกหลายครั้งมามีแต่คุยกับคุยคุยกันมาคุยกันใหม่บวชมาปีหนึ่งสองปีเนี่ยมันน่าจะรู้นะว่าฝึกอะไรชีวิตเนี่ยเป้าหมายคืออะไรถ้าเราจะติดอยู่แต่ความคิดอย่นี่แหละ ไปนิพพานในไม้ไหมายเขาคุยไปนะมันถึงนี่ยคนละเรื่องกันนะมันเป็นเรื่องของวิปัสสนาญาณนะไอ้ น, นี่มันจะเกิดจากความรู้ตัวต่อเนื่องนะไอ น, นี่ถ้าคุณรู้ตัวต่อเนื่องสติมีความรู้ตัวทั่วพร้อมยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวไม่ใช่เอาแต่สร้างจังหวะอย่างเดียวนะกําหนดรู้ต่อเนื่องเราวัดว่าคนมีสติไม่มีสติหนึ่งนวอนหายสองกานคุกครีมันไม่มี มันมีความร่องใสในตัวเอา้านี่วอนหายไปแล้วทีนี้ก็เกิดวิปัสนาญาณจะเป็นมรรคเป็นผลนีกหละทีนี้ขั้นตอนมันเยอะนะแต่ความจริงมันไม่เยอะคือรู้สึกตัวนี้มันจะทะลุไปเนี่ยเพียงแต่ว่าระดับชั้นเหมือนบรรยากาศนี่แหละเวลาเราขึ้นชั้นบรรยากาศนี่เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นชั้นอะไรแต่และขี่พ่วงไมันก็ขึ้นไปของมันเองจิตมันจะเป็นแบบนั้นนะ่ะเกิดมาชั้เดียวเหามันเห็นเถอะนะ ไปที่อื่นอาจจะไม่นะัอาจจะไปบาเพ็ญบา ร, รมีไปทนาหนุนที่นี่ไม่คนไม่เคยคิดว่ามรควนมีจะรู้สึกว่ามีมาที่นี่ไม่เคยคิดว่าอยากบรรลุธรรมกับเขาพอฟังพอศึกษาเอ้ามันเป็นไปได้ในชีวิตเราสามารถทำได้มันจะอยากทำที่นี่แต่ก่อนไม่ได้คิดว่าชีวิตที่เกิดมาเพื่อจะพ้นทุกข์แต่มาที่นี่มันจะอยากพ้นทุกข์ เพรามันมีความเข้าใจเพราะว่าคําสอนพุทธิยถามันอยู่ในวิสัยไงเพราะพุทธิยถาเป็นมนุษย์แล้วเอาคําสอนที่มนุษย์คนพบมาสอนมนุษย์เดี๋ยวนี้แต่ไม่ได้เอาคําสอนของก๊อตของผีของอะไรมาทั้นทําไมมันจะทําไม่ได้ไม่ได้คําสอนนอกฟ้านาะนี่คนละเรื่องกันดิที่มีอยู่ในเราเนี่ยเวลาให้เดินเนี่ยขอให้รู้ตีนไยเดินเป็นรู้ไม่ตีนเวลามาขยับมันสัมผัสเนี่ยให้รู้ตีนใครตีนใครตีนมันนั่นแหละยากไหมมันไม่ได้ยากอะไรนะ เหยียบลงให้รู้นี่ยกมือนี่ก็รู้มือนี่รู้มือนี่ทําไมมันไม่รู้มือนี่เอา้าตัดความคิดตัดความพูดตัดออกนะ่ะอันนั้นตัดความคิดเกียตัดออกเอากลับมารู้สึกเฉยๆนี่เพื่ออยู่กับปัจจุบัน น, จจ น, นี่ปัจจุบันนี้เหมือนรถต้นไม้ตั้งไว้ตรงนี้เอาต้นไม้ตัวนี้ลงดินคือเอาใจมาลงปุ๊บเอา้าเอาไม้ประคองไว้ครูบาอาจารย์ประคองที่นี่รดน้ำนาที่เรารดไปพืเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาแต่ถ้าถอนอยู่เรื่อยเดี๋ยวขยับไปปลูกนั่นเอาไว้นี่ดึงไปดึงมาตายนะ ถ้าเอาน้ำร้อนลวกยิ่งตายเร็วถ้าพูดไปแล้วนี่ชีวิตเราเอาอมาเนี่ยเอามาเท่าไหร่อายุเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่แน่ น, นี่คืนนี้ไม่หายใจออกนี่ตายก็ได้ดิกลับไปนี่ลดความตายก็มีนะเนี่ยอย่าประมาทนะกิว่าเฮ้ยอีกสักหน่อยกูจะไปทามานั่นไปทามานี่ทําปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุดเนี่ย อยู่กับปัจจุบันนี่อยู่กันและลึกรู้เนี่ยอันนั้นอนาคตอ น, นาคตจะเพิ่งเอามามันยังไม่มาถึงอดีตผ่านไปแล้วทำปัจจุบันนี่มันดีที่สุดปัจจุบันอยู่กับทั้งว่ามันไม่หวั่นไหวนล้วนะี่ขี้เกียจก็ทำมาเนี่ยขยันก็ทำไม่ใช่ขี้เกียจก็เงาจมอยู่กับความคิดอยู่กับความวง่วงความเหงาไม่ได้ดิต้องออกจากมัน ทางสอนแล้วมาทางนี้มาทางนี้ออกอย่างนี้วิธีออกยังเข้าไปอยู่มันก็เกินไปแล้วอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอยู่ในอารมณ์อยู่ในความคิดอยู่ในความปลอดโปร่งความโล่งความเบาความสงบหายมันเห็นเนะี่ยวางรูปวางรถวางกินวางเสียงวางนะปล่อยวางนไม่ใช่ปล่อยทิ้งวางมันไว ไม่ต้องทิ้งนะแต่วางเหมือนเรามาจากบ้านวางลูกวางเมียวางผัววางานที่ที่เราวางเนี่ยแต่วางให้มันวางจริงๆอย่า ง, งมันมาติดมาที่ใจปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันรูปแล้มันเจ็บมันผลดแบวางเดี๋ยวรักษาอยู่แต่รักษาแบบวางปล่อยวางไม่ใช่ทิ้งแบาบงคนโอ๊ยมันจะทําได้หรอไม่ใช่ให้ทิ้งนะเนี่ยให้วางวางไว้วิธีจะวางได้ก็คือต้องฝึกสติเยอะๆนี่แหละ กำหนดรู้นี่เข้าใจไหมคําว่ากําหนดรู้ไม่ต้องบริกรรมให้สังเกตเนี่ยสังเกตยกมือสังเกตว่ารู้จริงจริงไหมยกร้อยครั้งรู้ร้อยครั้งไหมยกหนึ่งครั้งรู้หนึ่งครั้งไหมให้สังเกตให้มันเห็นให้มันรู้ทุกครั้งขยับไปเนี่ยทีแรกขยับไปมันรู้สึกแต่ถ้ามันมากหน่อยมากหน่อยมันจะสังเกตเป็นเหมือนไฟเนี่ยเวลาโดนจุดปุ๊บเนี่ยนอกจากมันมีความร้อนแล้วมันจะมีความสว่างสติก็เหมือนกันนอกจากมีความรู้สึกตัวแล้วมันจะมี ความสามารถในการทําลายความคิดได้ด้วยมัน ด, ด, ดับได้ดับได้ด้วยไม่ใช่แต่มันสว่างอย่างเดียวนะแต่วิปัสนานีนเวลามันเกิดขึ้นมันเหมือนกับจุดไฟในที่มืดพลึบขึ้นมาอย่างเงี้ยความมืดจะหายไปทันทีเหมือนกันเวลามันเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจขึ้นมานี่ไอความคิดความปรุงแต่งความงงมันหายไปเองณวินาทีนั้นเหมือนเปิดไฟน่ยเปิดปุ๊บ ความมืดหายเหมือนกันนะพอปัญญาเกิดความทุกข์มันหายไปความสงสัยไม่รู้มันหายไปไหนอ่ะมันจะเป็นภาวะที่แจ่มแจ้งที่เธอไม่เคยเห็นมาตั้งแต่เกิดเนี่ยซึ่งมันอยู่ในวิสัยบางคนเขาว่าสองวันนี่เขาเป็นแล้วสามวันเขาเป็นแล้วพอเราคาดหวังบางไม่ว่ามันจะเป็นให้ถ้าไม่อยู่ในเงื่อนไขนี่มันยากนะแต่ถ้าอยู่ในเงื่อนไขลงตาว่ามาร้อยทั้งร้อยมันก็เป็นหมดอ่ะเกิดปัญญาได้หมด ช่วยเต็มที่นะไปที่อื่นเลยแต่คุณจะห่วงจะเหงานะแล้วแต่คุณจะคุยจะพูดโทรศัพท์จ ะ, ะได้เขาไม่ได้สนนะไม่รู้ว่าเขารู้จริงหรือไม่รู้นะที่สอนแต่ที่นี้รู้ว่าเงื่อนไขมันคืออะไรที่จะไม่มันเกิดแล้วเงื่อนไขอะไรที่มันจะเป็นเหตุไม่ให้มันเกิดเราช่วยกันอาตมาไม่ได้ช่วยช่วยโยมนะเนี่ยช่วยพระาศาสนานะเนี่ยช่วยให้าศาสตร์อันนี้มันอยู่ในจิตคนอยู่ไปนานๆที่เฉยเดยมันดีถ้าอยู่คู่กับมนุษย์เนี่ย พะมนุษย์มันติดความคิดน่ให้ตั้งใจทำอย่าไปสนใจกับร้อนกับหนาวกับเจ็บกับปวดกับเมื่อยกับอะไรเน่เอาความตายเป็นเครื่องวัดไม่ต้องห่วงหรอกมีปัญหามันมีห้องพยาบาลน่นีเป็นเน่ามากก็หามขึ้นไปเผาในเมรุนั่นใครตายในที่ปฏิบัติธรรมเนี่ย แล้วทำไจะทำอนุสาวรีย์ให้ในวัดเนี่ยโหยคนนี้เดิอนจุกรมตายนะเนี่ยเอารูปผ้ามันติดไว้ตายในหน้าที่เราจะเอาผ้าเหลืองเก่าๆผ้าเนี่ไปห่มให้เหมือนห่มธงไต่ลงเนี่ยตายในเดืจุกรมห่มออกมาเผาจะประชาสัมพันธ์ในห้านังซื้อพิมพ์นนุนลรอไปจะไปกลัว ถ้ไม่กลัวตายเนะี่เหมือนเราไม่มีตัวตนนะช่างแม่มันนะมันไม่มีตัวตนแล้วเนี่ยแค่มีความรู้สึกไปแต่ไม่มีตัวทำแล้วมันจะง่ายแต่ถ้าเรายังมีตัวตนอยู่อั น, นั้นกิกลัวอั น, นั้นอันนี้ก็เป็นอันนี้โอ้ยมันมีตัวตนไม่เริ่มต้นแบบนี้มันก็ไม่ได้อะไรละเพราะมันตัวตนปฏิบัติ ด, ด้วยตัวตนไงเห็นไหมคนที่เดินเอาจริงเขาจะไปเอาตายนะเขาจะเริ่ม ทะลุไปสู่ความไม่มีตัวตนมันจะเริ่มโล่งเริ่มโปร่งนะแต่ถ้าเรามีเงื่อนไขนั่นเอาใช้แต่ความคิดพิจารณาโอ้ยตายไ ป, ไปพิจารณาแต่พิจารณาออกจากความคิดมันจะคิดมันก็คิดเพิ่มดิพิจารณาออกจากตัวตนคิดเพิ่มมันก็ยิ่งเป็นตัวเป็นตนดิรู้เฉยเฉยรู้สึกตัวนี่กำหนดรู้อย่าให้มันง่วงมันเหงา คนไหนมะง่วงมาเหงาเนี่ยไปเนี่จะเอากรรไกรไปตัดขนหัวมันออกเดินจุกมันนั่งซึมซมเนี่ยจะตัดผมมันออกจุกหนึ่งง่วงลองดูนะพวกเธอเนี่ยตัดผมออกจุกหนึ่งเลไม่ง่วงถ้า ถ, ถึงวันที่เจ็ตมีแต่ความโกรธมีแต่โทรศัพท์แค่ขนหัวหลุดเฉยๆนะเนี่ยมันเสียด้ขนมากกว่าเสียด้กิเลสด้วย น, นะดูดิ ไม่อยากเกิดปัญญาตั้งอกตั้งใจดีๆสู้ตายน้ำอาบก็ได้ไม่อาก็ได้ขอแต่ให้เอาสติล้างใจเนี่ยชำระล้างมันทุกวันทุกวันเนี่ยได้เอาพอมันไม่เหม็นเท่าไหร่ก็พออยู่ได้ก็เอาละพอสู้ได้ ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งปัจจุบันในอนาคตดูท่าคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยเขาจะวางกรอบไว้รอบครอบมากลืมตาค็คนไหนยังง่วงออกไปเ น, นล่างหน้าแล้วค่อยไปเดินจกกมถ้าเดินจกกมมันยังง่วงอยู่คารนเอาทำอะไรก็ได้ฝืนมันนะ่ะอันนี้ง่วงก็ง่วง ทำอะไรก็ไม่เป็นเฮ้ยก็โง่เกินลรอเวโง่เกินไปโง่เกินกว่าที่จะรู้แจ้งธรรมะเนี่ยฝืนมันรักษาตาสองลูกท่านั้นเองไม่ได้รักษาอะไรเนี่ยตาสองหน่วยนีย่ไม่ให้หนังมันงึบลงมาเฉยๆนี่นี่ดูทำเป้นเหรอมันไม่ได้ยากได้เย็นอะไรอะ่ะ กำตดใส่จมูกตัวเองก็ได้นี่ยมันก็จะตื่นขึ้นมาเองหรือบางคนเอาหน้าไปให้เขาถมน้ำลายใส่หน้าให้เนี่ยถมให้กูหน่อยมันม้วยหน้านมันง่วงเหลือเกินน่ยก็แทบตายแล้วมันก็ตื่นขึ้นมาแล้วล่ะเนี่ยอั น, นี้ยุ่งเถื่อนรุ่น้องพ่ออาไปนี่จะผ้าคุมหัวคุมตาสร้างเจ้าโอ๊ยตายมึงโง่ปะนั้นกิเลสสั่งมาทำมาเอาผ้าคุมหัวอีกหน่อยก็หลับสมวกสพังงาคล่ะเนี่ย พอไปถามทำไมเนี่ยนั่งสมาธิอีกนะอย่าให้เห็นอย่าให้รู้สึกว่ากำลังสอนคนโง่นะแต่ให้รู้สึกว่ากำลังสอนคนโง่ที่เริ่มฉลาดหน่อยมาอยู่เนี่ยต้องฉลาดฉลาดในอารมณ์ตัวเองเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่รูปรถกลิ่นเสียงไม่ได้อยู่ที่ตาหูจมูกหรอกอนเนี่ยมันอยู่ที่จิตเอาสู้มั น, นเนี่ย เสื้อผ้าก็เอาพอประมาณปล่อยมันหนาวบ้างอยู่ทีนี่เห็นไหมพระเนี่ยตามาสั่งองค์นั้นเอามาเอาผ้ามาัเอาผ้าไปแก้ไว้เก็บแก้ผ้าออกเหลือแต่สบงเดินจุ ก, กมลหรดูหนาวเนี่ยแก้ผ้าเดินถ้าฤดูน้อนเอาผ้านวล ม, มห่มเดินให้มันเหงื่อออกมันตายไปยมันจะรู้สึกว่าชีวิตที่มันปรับได้เมื่อเราไหนเราทําใจได้มันก็ปกติอ่ะ ไอ้อความหนาวนี่ให้มันมีพอประมาณอย่าให้มันมารบกวนเราอะ่ะจนกระทั่งรู้สึกว่าเราเป็นหนาวไม่ใช่เราไม่ได้เป็นเน่ะเอามันพอดีธรรมชาติมันน่แล้วเราจะอยู่กับธรรมชาติได้ถ้างั้นเราไม่รู้จักธรรมชาติหรอกมจะปรุงแต่งจิตเนี่ยพรุ่งนี้อากาศจะลดอีกห้าองศาจะให้อาบน้ำหกวงเย็นนั่นแหละ เอาให้กระดูกมันหักกบกบกบแคบไปนี่สู้ตายนะไม่ยากอะไรผมขนเล็บฟันหนังพอเก็บไว้เก็บไว้มัดไว้เป็นจุกเอาเชือกมามัดติดไว้เดินจุกรมอย่าไปยุ่งกับมันสักอันน่ะเหลือแต่รู้เฉยๆเนี่ยเหยียบรู้รู้รู้อยู่เนี่ยแต่ไม่ต้องพูดรู้นะให้จิตมันรับรู้เดินไปนี่แล้วรู้นี่ก็สังเกตดูเร้เหงาไหมนี่ง่วงไหมง่วงมาไหมเบื่อมาไหมคิดไหมปรงแต่งไหมดูโอ้มันว่างอยู่ประคองไว้เรื่อยๆลองดูดิ ฮึดหน่อยฮึดหน่อยเขาพู้ได้เจ้านี่มีกี่หัวหัวเดียวกี่มือสองมือกี่ตีนสองตีนเหมือนกันกับเราเนี่ยแต่ท่านเป็นคนจริงท่านเอาจริงน่ะพระผู้ได้เจ้าเนี่ยเหมือนกันเลยของท่านก็เหมือนกันหมดท่านก็มีราคามีตันห์มีนางนามิีผามีราหุ่นมีมดน่ะ มีพ่อมีแม่สุ่โทตนางนั่นน่นนี่เหมือนกันน่ะมีห่วงมีงานไม่รู้จก็มีงานเหมือนเราเนี่ยแต่ท่านรู้จักวางเป็นมาทำอะ่รเนี่ยอืวางเป็นแลโอ๊ยท่านมีบารมีบารมีอะไรบารมีก็คือความขยันนี่แหละบารมีคือความไม่ขี้เกียจเนี่ยปาละแปลว่าพร้อมมีก็คือมีมีความพร้อมมีความตกตั้งใจที่จะสู้กับมันเนี่ยพยายามอยู่กับสติตัวเอง หลังจากออกจากวัดไปก็เอ้าแล้วแต่หรอกจะถือถัรโขงวิ่งตามถนนไปก็ว่าไปทำเรื่องแต่มาอยู่ในนี้พยายามรักษานอกจากไม่พูดไม่คุยเลยต้องรู้สึกตัวเยอะๆ เ, เงื่อนไขมันคืออันนั้นนะี่ยที่เราบอกว่าไปที่นั่นก็ไม่บรรลุทําไปที่นี่เพราะเขาไม่รักษาเงื่อนไขที่พระญาติสอนไงสำรวมมีสนะีโภชเนมตันยุตาชาคริยานโยกมีสามมันเองสํารวมตาหูจมูกที่นี 2, นะ่สองโภชเนมตันยุตตารู้จักประมาณกินจะกินเยอะนะมันจะง่วง อารมณ์ต่างๆมันจะไหลมาแล้วก็ชากติยานยกคือประกอบธรรมที่เป็นตัวรู้ตื่นเบิกบานนี่อยู่เสมอรู้ตื่นเนี่ยชาคระธรรมให้มันรู้ให้มันตื่นตลอดเวลาเดิมไปรู้ตัวตลอดแค่นี้เองคําสอนพุทธศาสนาเนี่ยมีสติดับความคิดตนเองอะและลึกรู้ต่อเนื่องทีนี้พอมันรู้ต่อเนื่องมันจะเป็นปัญญาญาณวัดตรงนั้นนะวัดตัวที่มันดับทุกข์ได้คนไหนที่ คิดว่ามีสติแล้วเนี่ยสังเกตว่าคนเนี้ไม่ง่วงทั้งวันไม่ง่วงละไม่เบื่อไม่ไหนไม่คิดไม่ปรุงแต่งละเพราะมันจะสลายอยู่ข้างในอ่ะแต่ถ้าเรานิ่งอีกหน่อยก็หลับละอีกหน่อยก็ฟุ้งซ่านละไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่สติยังไม่เกิดมันแก่นิวรณ์กิเลสเบื้องต้นยังไม่เป็นไม่ต้องพูดถึงอนุสัยสังโยชน์ที่อยู่ลึกๆลงไปทําไม่ได้ถ้าแก่นิวรณ์ไม่ได้ไม่ได้นะอันอื่นนิวณ์นี่คืออุปสรรคชีวิตมนุษย์ มนุษย์ไม่ต้องมีมากแค่เป็นโซดาบันรู้แจ้งเรื่องนิวรณ์ในเบื้องต้นเนี่ยไปอยู่ทั้งโลกสบายแล้วแค่นิวรณ์เนี่ยนะโซดาบันนี่คุมนิวรณ์ได้เขาก็ยังมีลูกมีเมียมีครอบมีครัวมีนี่แต่นิวรณ์มันไม่คุมเขาไม่บีบเขาอะนะอารมณ์ทั้งหลายนี่รู้สึกวันเบามางมากเคลียออกก็ได้ทําอะไรก็ได้ะนะเพียงแต่ว่าความยินดีความพอใจใน การมาคุณในพวกนี้มันยังมีอยู่คือสมาธิไม่เยอะเท่าไหร่ปัญญาก็ไม่เยอะแต่ศรัท ธ, ธาจะสูงพอตัวรู้มันมีเข้าใจว่ามันมีจริงธรรมะเนี่ยศรัท ธ, ธามีมีเดียะมีสติมีจะไม่มากปัญญาก็ไม่มากในเบื้องต้นจะเป็นแบบนั้นนะหาเอาไม่ได้มาหาของที่อื่นนะนี่ขาหาในตัวเราเ น, นี่ยนี่อันเนี้ใครปฏิบัติได้ดีจงให้ ทางโลกของให้เหรียญนะเหรียญทองอ่ะอันนี้คือจะได้ความไม่ทุกข์กลับไปชีวิตเนี่ยจะได้ความว่างเปล่าตัดสลายคือคนไหนสังเกตเป็นอยู่เรื่อยๆเนี่ยปัญญาเกิดไวเนี่ยนะระลึกรู้อยู่เรื่อยๆนี่ปัญญามันเกิดเร็วอย่าไปคิดหานะถ้าความรู้สึกตัวมันน้อยๆเนี่ยไปคิดหาแล้วมันจะปวดหัว แต่เขาจะไปเพ่งจ้องมากอย่างนี้จ้องมากๆอยากให้มันรู้สึกตัวมากๆเนี่ยมันไม่เป็นธรรมชาติเป็นด้วยความอยากนี่จะปวดหัวอีกแล้วมันจะเครียดอาเจียนเห็นไหมหลายๆคนหักท่างออกนะพอมันจ้องมากไปอะอย่าไปจ้องมันถ้าจ้องออกทันทีนะมึนหัวมึนหางทะนทีอา้าตายใส่วัดกูแล้วนาะว่าฝืนเอาเระลึกรู้เฉย ถ้ามันมันจะอ้วกมันจะอาเจียนมันมึนมองไกลๆอย่าไปคุยกันมองนั่นมองนี่ไปมองฟ้ามองฝนมองดินมองอากาศมองก้อนเมฆนั้นไหลไปไหลมานี่เดี๋ยวมันตื่นขึ้นมาเองหนวกจิตเนี่ยมันคลายเองไปล้างหน้าล้างตาบ้างก็ได้แล้วมาทําอีกเนี่ยอย่าไปย่อท้อคือเหมือนกับว่าขุดเขาไปเรื่อยๆขุดไปขุดไปขุมันต้องพังลงได้แหละไอความรู้สึกเพราะว่าอะไรเพราะว่า สิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ขันห้านี่มันเป็นอนัตตามันไม่มีจริงๆเนี่ยแต่จิตเรามันถูกสมมติขึ้นมาเฉยๆสมมุติว่ามันเป็นรูปเป็นร่างแบบนั้นอะจริงๆมันไม่มีทีนี้เราจะทำไงจึงจะเห็นความไม่มีเนี่ยอนัตตาอนัตตาอนัตตาเนี่ยทีนี้มันมีมันมีแหละมันจึงไหลออกมาเยอะเนี่ยเอาหลับอีกแล้วอ <c oughs> ว่าเป็นตาเสดกน้อนู่ก